Book 2หนึ่งรยตติาวิเศษีลซเคยยังไม่เคยวยนยอชดคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง jesteli ว e าชไม่ยังไม่เคยเลยค่ะ1ยอน1ไ a เคยใครไม่มีใครคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะต o ี1ที่นี่ั ไม่ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะเนย่าไม่รู้จักใครที่อีกนิดอีกไม่นานยอชไมคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมไม่ ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะเน่ a ja ่าเนอสเตย์มวิเศษอวเดอะไรอีกไม่อีกแล้วย o ชเนส t o นิสต์วิเศคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมเจลิติลิยูชเนสโตปอปิติไม่ ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะเน่ย์อยาก i m n i รลิมนิอะไรบ้างแล้วยังไม่เลยเว n เนสาคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมเ e ไม่ ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะเน่ยาโยชนิสัมนิสตาเยอเยลามีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วโยชน eko niko v i š มีใครอยากรับกาแฟอีกไหมเจลิลิชน eko kafu ไม่ ไม่มีใครอีกแล้วค่ะเนนิโกวิเช่กรุณาไปที่ www. b o o k t o de สําหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด